นิสกิยปปาจิตตี495จีวออยู่ปราศจากแล้วภิกษุสำคัญว่าอยู่ปราศจากแล้วต้องอบัตนิสกิยาปาจิตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติ495จีวออยู่ปราดแล้วภิกษุสำคัญว่าอยู่ปราดแล้วต้องอบัตนิสกิยาปาจิตีเว้นไว้แต่ภิกษุได้รับสมมุติ จีวออยู่ปราดแล้วภิกษุไม่แน่ใจต้องอวบานิสกิยาปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติชีวรอยู่ปราดแล้วภิกษุสําคัญว่าไม่อยู่ปราดแล้วต้องอวบานิสกิยาปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติจีวรยังไม่ได้ถอนภิกษุสําคัญว่าถอนแล้วต้องอบัานิสกิยาปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติจีวรยังไม่ได้สลัดให้ภิกษุ ว่าสละให้แล้วต้องอบัตินิสกี้ญาปาิตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติจีวรยังไม่สูญหายภิกษุสาคัญว่าสูญหายแล้วต้องอบัตินิสกี้ญาปายตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติจีวรยังไม่ฉิบหายภิกษุสาคัญว่าฉิบหายแล้วต้องอบัตนิสกี้ญาปายตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติ จีวรยังไม่ถูกไฟไหม้พิกษุสําคัญว่าถูกไฟไหม้แล้วต้องอบัตนิสกี้ปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติจีวรยังไม่ถูกโจรชิงภิสูจน์สคัญว่าถูกโจรชิงไปแล้วต้องอบัตนิสกี้ญปาจิตตีเว้นแต่ภิกษุได้รับสมมุติติกะทุกกดจีวรเป็นนิสกีภิกษุยังไม่สละใช้สอยต้องอบัตทุกกดจีวรไม่อยู่ปราด ภิกษุสำคัญว่าอยู่ปราดแล้วใช้สอยต้องอบัตทุกกดจีวรไม่อยู่ปราดภิกษุไม่แน่ใจใช้สอยต้องอบัตทุกกดจีวรไม่อยู่ปราดภิกษุสําคัญว่าไม่อยู่ปราดใช้ชสอยไม่ต้องอบัต